พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15สิงหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าสติปัฐานสี่ควบคุมจิตวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่ง วันนี้เป็นวันอังคารที่สิบห้าสิงหาคมพุทธศักราช2560้ากสวันนี้เป็นวันแรมเก้าข้ามแรมแปดข้ามเดือนเกเป็นวันปฏิบัติธรรมของเราทุกวันพระวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเตเียมมา สู่วัดวาศาสนาที่มาปฏิบัติศิลปฏิบัติธรรมฟังเทศจากนั้นก็ได้ลงมือปฏิบัติได้ไหวพระสวดมนต์ที่พวกเราทำจบลงไปสักครู่แล้วต่อไปนี้หลว ง, งพ่อจะได้กล่าวอะไรแต่หลวงพ่อคงจะไม่กล่าวมากวันนี้นะแล้วก็จะให้พระท่านเปิดเอ็มสา ให้พวกเราฟังพระท่านคงจะเลือกแล้วละ่ะว่ากันไหนที่จะเหมาะที่จะมาพูดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่หลวงพ่อจะพูดเป็นแนวทางถ้าไม่พูดอะไรจะเลยมันก็เหมือนกับมันขาดไปเหมือนกันพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเด้ลงมานำคณะสัาญญาตยาจมพระเนนลูกลานไหวพระ เราจะได้กล่าวสัมมิธนิยธรราเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติแต่เรื่องวันพระอย่างนี้ต่ตอนเช้าหลวง พ, วพว่อพูดในแนวความคิดตึกทานเรื่องศีลแล้วก็แถมท้ายเรื่องจิตภาวนาแต่เวลากลางคืนน้นเวลาปฏิบัติอย่างนี้ พวกเราท่านทั้งหลายที่มาการล้วนแล้วแต่เป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่ตอนเช้าใครๆว่าเป็นลูกหลานไม่ได้ยังไม่ถึงที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตภาวนามแจะเน้นเรื่องการเป็นอยู่การทำมหาเลี้ยงชีพแล้วก็รักษาศีลให้ทานรักษาศีล ไหว้พระสวดมนต์แต่เรื่องจะทำจิตภาวนาอันนั้นพวกลูกหลานเหล่านั้นก็คงจะบางคนก็คงจะได้แต่บางคนก็คงจะเข้ายัางไม่ถึงแต่สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายมาถึงจุดนี้แล้วพวกเร า, เาได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนเพียงแต่ว่าบางครั้งาบางจุดเราอาจจะทำยังไม่เพียงพอ หรืออาจจะไม่เข้าใจหรือถึงไม่ไม่เข้าใ จ, จ, าใจถึงจะฟังได้เข้าใจแล้วแต่เมื่อกลุลงลืมหรือว่าเข้าใจแล้วก็บางทีก็ยังไม่มั่นใจสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพวันนั้นหลวงพ่อเองท่าทางเห็นคณะจัทตาายาจวงลูพระเนลรลูกหลาน พร้อมกันอย่างนี้หลวงพ่อจะเน้นหนักเรื่องจิตภาวนาสำหรับให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาและทำจิตใจอย่างไรในการภาวนาของพวกเราเนี่ยแต่ตามจริงเรื่องภาวนาให้เราฟังเอาไว้ว่าสมถะคือทำจิตใจให้สงบวิปัสนาคือแยกแยะ ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่แหละคือจุดใหญ่มีอยู่สองแต่ทีนี้ก่อนที่จะมาถึงสองได้สมรรถาะที่จะทำจิตใจให้สงบเนี่ยนะมันมีมากมายหลายวิธีเหลือเกินคนหนึ่งกระถูกกับจิตอันหนึ่งคนหนึ่งกระถูกกับจดิตอันหนึ่งเพราะนั้นเวลาเราจะพูดเนี่ยบางทีก็หวานแห้ไปเหมือนกันเบี่ยงไป บางทีกับคนที่ได้ยินผู้พระเนรลูกหลานศรัทธาญาโสมได้ยินเออใช่ตัวนี้นำมาประพฤติปฏิบัติถูกกับใจของผมแต่บางคนฟังแล้วไม่รู้จะจับเอาจุดไหนแต่บางคนก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าศรัทธาญาโ ย, ยมพระเนรลูกหลานนะพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์หงตามหาบัวท่านเคยมาที่นี่ท่านก็เคยพูด ท่านยกโมกคลาดเป็นตัวอย่างดูก่อนโมกคลาดท่านจงมามองท่านจงมาดูโลกนี้ให้เป็นของว่างเปล่านะเพียงแค่นี้ผู้ที่ได้ฟังไปแล้วอือใจมันว่างเปล่าจริงอันนี้ก็ได้หลายคนที่ได้นำมาบอกกล่าวให้หลวงพ่ออือ่นีเพียงหลวงพ่อพูดเรือบอกกล่าวไปเพียงแค่นี้ผู้ที่ อยู่ในสภาวะหรือว่าอยู่ในแนวความคิดนี้เขาก็นํามามาคิดมามานํามาพิจารณาอีกเขาก็ได้ผลของเขาเขาปล่อยวางทางด้านจิตใจทําใจให้ว่างฮะเนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการที่จะทําจิตใจของเรามันมีมากหลากหลายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเมื่อได้ยินแล้วก็เนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติ บริกรรมคำบริกรรมไว้ถึง4ี่สอย่างที่จะทำจิตใจให้เป็นสมาธิเระว่ากรรมฐาน40สแต่ก็มากกว่านั้นอีกแต่ท่านคนเย็นย่ น, ยนลงมาอีกว่ากรรมฐานที่เราจะพุทธปฏิบัตินั้นอยู่ในสติปัฏฐานสกายเวทนาจิตธรรมแต่เป็นหลักใหญ่ อาารท่านพูดเป็นหลักใจแล้ว่ะแต่พิจารณาอะไรก็ตามอยู่ในขั้นกายเวทนาจิตธรรมจะบริกรรมกรรมฐานอะไรก็ตามก็ใช้กายบริกรรมในว่ากายกายานุปัจนากายานุปัจนาสติปัฏฐานเวทานานุปัจนาสติปัฏฐานจิตตารุปัจนาสติปัฏฐาน ธรรมานุปัฏฐานเติปัฏฐานนี่แหละก็คือฐานะที่ว่าเ จ, จติปัฏฐานมันมีอยู่สี่อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ทัดนํานให้พระสงฆ์นํามาประพฤติปฏิบัติแต่ส่วนกรรมฐานสี่สิบอย่างอันสงอันไหนจะสงเคราะห์เข้าไปสู่กายอันไหนจะสงเคราะห์เข้าไปสู่เวทนาอันไหนจะสงเคราะห์เข้าไปสู่จิต อนไรสงเคราะห์เอาไปสู่ธรรมทรมาร้มตีนี้นเมื่ออธิบายให้ฟังผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วผู้ที่เคยภาวนา ม, มาแล้วเป็นผู้รู้เรื่องแล้วจะแยกแยะออกพอลมทำมานานแล้วก็พยายามแยกแยะได้แต่ถ้ามุ่ผู้ใหม่เนี่ยก็คงเขาฟังหือเอาครูบาอาจารย์ว่าอยงนี้ฟังไปก่อน ปฏิบัติไปก่อนอย่างที่เราเคยชำนิชำนาญมาจะไงก็ปฏิบัติไปตามที่ได้ดินได้ฟังมาปฏิบัติที่ท่านแนะนําสั่งสอนเบื่อให้ทําอะไรก็ทำจะ ก, กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกาหนดลมไปแล้บริกรรมพุโทโธก็พุโทโธไปแต่เราไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นแต่เมื่อเราได้ศึกษาเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ว่า กติปทานสี่ที่คุกพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวนั้นท่านเน้นหนักจุดไหนอย่างที่พ้นท่านบอกว่ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเอาอะไรกำหนดเอาร่างกายลมเป็นร่างกายเหมือนกันลมคือมันออกมาจากร่างกายกำหนดลมหายใจเข้ารว่วหายใจเข้าหายใจออกรั่วหายใจออก อันนี้ว่ากายานุปัจนาสติปัฏฐานหรือว่าเอาขาเดินขาขวาพูดขาซ้ายโทรเราจะภาวนาเราก็ดูรู้เ no, in ah, ลยว่ากายานุป <us then ibles> ัจนาสติปัฏฐานหรือเราจะกําหนดกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจเข้ารู้หายจออกอันนี้ก็ว่ากายานุปัจนาสติปัฏฐานอเหมือนกัน พรเอากายกำหนดส่วนเวทนานัตยังไง เ, เนี่ยกายเวทนาเนเวทนาคือความเจ็บปวดออหรือว่าการนั่งขึ้นไปหรือว่าหายใจเข้าก็เป็นเวทนาอันหนึ่งเหมือนกันอย่างละเอียดนะ่เพราะมันลมมากระทบมันลมมากระทบที่ปลายจมูกก็รู้วเนี่ยนี่คือเวทนาคือสิ่งที่มันกระทบที่ปลายจมูกอันนีว่าเวนานปปนาทนานุกปัจนาสติปัฏฐานคล้ายๆว่า การเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของร่างกายคือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเวทนาจากนั้นเวลานั่งออกไปมันเจ็บแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวจีพตหามันปวดอันนี้เราว่าเวทนาคือความเจ็บปวดกัร น, นี้ท่านก็ให้พิจารณาถึงตัวตัวเวทนาจุดนี้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเจ็บปวดเพราะอะไร เ, เพราะว่า ใจของเราไปรับรู้รับทราบแต่ถ้าว่าคนตายล่ะคนตายเข้าไปใจออกจากร่างเอามีดฟันเอาควานสับเอาไฟเผามันก็ไม่ร้องไม่อุ่ยไม่เจ็บไม่ปวดเพราะอะไรเพราะจิตใจออกจากร่างแล้วใจไม่ได้มายึดมั่นไม่ได้มายึดครองร่างกายอันนี้เรียกว่าเออเ ว, เวทนานุปัสนาติตปัฏฐ า, าน ตเวทนามันมีอยู่สองทีเียมีอยู่สอ ง, ส อ, งอย่างคือเวทนาทางจิตเวทนาทางกายเวทนาทางกายก็อย่างที่ว่าเยหิวกระหายหนาวร้อนอทุกข์ในร่างกายอันนี้เวทนากายเวทนาจิตคืออะไรบางบางบางทีสิ่งที่มาเขาดุด่าว่า ก, กาวของเรา เราไม่เป็นที่พอใจมันทุกข์ในใจอันนี้ไปว่าเวทนาทางจิตตาโนปจิตหือว่าเวทนาทางจิตทางตัวผู้รู้คือนามธรรมเวทนาทางใจมันทุกข์ใจอันนี้ก็จัดว่าเวทนาเหมือนกันแต่ในเมื่อเราเห็นทั้งเวทนาจากนั้ น, นพิจารณาจิตจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานจิตคือตัวผู้ รู้สึกนึกคิดเดี๋ยวนี้เราเรานึกคิดเรื่องอะไรไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเราเนี่ยรู้จิตใจว่าเรานึกคิดเรื่องอะไรอันนี้เรียกว่าจิตตานุ ป, ปัจนาจติปฐานตามดูจิตว่าจิตของเรานึกคิดเรื่องอะไรขณะนี้มันคิดดีหรือมันคิดชั่วมันเป็นอะไราตามดูจิต อ, อันนี้นะวัด จิตานุปัฏฐานาิติปัฏฐานทำมานุปัฏฐนาสติปัฏฐานคือทำมารมณ์ที่มากระทบใจสิ่งที่เราเพึงปรารถนาได้ยินว่าเราได้ยศทะาบรรดาศักดิ์หรือว่าเราจะได้เงินได้ทอง เ, อเราจะได้สิ่งของที่เป็นทึ่งที่พึงปรารถนาเราก็ดีใจคือทำอารมณ์เข้ามาเข้ามาสู่จิตใจแล้วว่าทำมารมณ์ ถ้าสิ่งไหนที่มันเขาตุดาว่ากาวแล้ววันจะเสียหายพ่อแม่ตล้มหายตายจากาสามีภรรยาลูกหลาน เ, าเกิดไฟภัยวิบัติเนี่ยมนันกระทบความหมายา จ, จิตใจใจของเราก็เป็นทุกขนะ์อันนี้เราว่าท ร, ร ม, มารมาท่านก็ให้ดูตามให้ดูที่ว่าท ร, ร ม, มารมที่มันกระทบใจเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาอีกเหมือนกัน มันกระทบแล้วกระทบอีกกระทบแล้วกระทบอีกมัน ย, ย, ย, ย, ยิบยับยิบยับทั้งจิตตานุปัจจนาสติปัฏฐานทั้งธรรมะธรมามารมร่วยทั้งเวทนาแต่เวทนาในหยาบกว่ากายในหยาบเวทนานะก็นหลองลงมาส่วนจิตกับธรรมมารมณนะ์ละเอียดนะเพราะฉนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าการภาวนาน เราจะไปกำหนดจิตาตาทุปัจฉนาสติปัฏฐานมันไม่ทันหรอกขนาดกำหนดกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันยังหลุดยังเผลยังเผลอไปได้ง่ายยังเผลอไปได้อยู่เ อ, อ่ถ้าไปดูจิตเอาจิตไปตามดูจิตมันตะคุบเงาทางนั้นแหละท่านว่างนันแต่เว้นเสียแต่บางคนอุปนิสัยมีเออทาไมว่ากันแต่มันน้อยมากที่จะทำ จะรู้จิตใจของตัวเองนึกคิดเรื่องอะไรมันไม่ใช่ของง่ายเรื่องรรมารมก็เหมือนกันที่สิ่งที่มากระทบจิตใจตามทันทรมารมดีใจเสียใจเสียใจดีใจตัวนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาอีกเหมือนกัน เ, เวลาเรานึกคิดขึ้นมาออพอนึกคิดขึ้นมาสิ่งที่ไม่พึงปรานาะมากระทบเข้ามากระแทกเข้ามาในจิตใจอันนี้เราทำมารมนี่แหละ เพราะนั้นท่านครูบาอาจารย์ท่า น, าา น, านสายของหลวงปู่มั่นของเราท่านจึงไม่ให้พิจารณ า, าธรรมารมหรือวิจิตา น, นาปัฏนาหรือว่ า, ากาย เ, าเวทนาเรื่องเวทนาในท่านในพิจารณาอยู่ท่านนั่งภาวนามันปวดมันจะสู้ไม่ไหวท่านก็ให้ดูเอาจิต ด, ดูตัวที่มันปวดที่ตรงไหน กำหนดดูให้รู้ว่ามันปวดที่ตรงไหนมันทําไมจึงปวดไอ้พอดูที่มันปวดแล้วเยถ้าหาว่าคนตายมันปวดไหมแหม่ไม่ปวดเพราะอะไรคนตายเพราะใจออกจากร่างเอาเถอะเราจะพยายามเอาใจออกจากกายเอากายออกจากใจของเราแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายดูสินี่แหละถ้าทําได้อย่างนั้นมีประโยชน์อย่างมากนะคะ่นะนักสัตยายาโจม เวลาเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปนอนโรงพยาบาลจะไปที่ไหนเราจะดูที่ใจของเราอย่างเดียวเราไม่ไม่รับรู้ทางกายคือแยกกายออกจากตัวผู้รู้แยกผู้รู้ออกมาจากกายเหมือนกับเราถ้าอยู่ในรถนะเมื่อไฟไหม้รถอทำรถรถรถประจบอุบัติเหตุไฟไหม้รถเนท่าเราอยู่ในรถมันก็ร้อนใช่ไหม แต่นนพอไฟไม่ร ถ, ถ้ามันล็อกหนีออกมาจะออกเปิดประตูออกมายืนอยู่ข้างนอกเอ่อถึงจะไฟจะไหม้รถมันก็ไม่ไหม้หรามันก็ไม่ร้อนมันก็ไม่ทุกเพราะอะไรเพราะเราเราออกมายืนอยู่ข้างนอกนี้ก็เหมือนกันนะถ้าว่าเรานั่งภาวนาหรือเวลาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไปแบกในร่างกายมันจะทุกข์ทีนีน่เพราะอะไรเพราะเออ เรารับรู้ทางเวทนาทางร่างกายฉะนั้นเราออกมาจากกายใช่ไหออกมายืนดูเอามาดูดูร่างกายดูใจของตนเองจิตดูจิตจิตในจิตใจในใจผู้รู้อยู่ในผู้รู้นะไม่รับรู้ทางร่างกายกายก็สักว่ากายใจก็สักว่าใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราต่างคนต่างอยู่เหมือนกับโซเฟอร์ออกมาจากรถมายืนอยู่ข้างนอกลักษณะอย่างนั้นนะ แต่ถ้าว่าโชเฟอร์อยู่ในรถนะไฟก็ไหม้รถโชเฟอร์ต้องทุกในแน่ทุรนทุรายไพราะอะไรเพราะว่ามันร้อนไฟมันเผารถนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าว่าเราภาวนาพิจารณาแยกแยะร่างกายของเรากายกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายอันนี้เราเวทนา เวทนาคือความเจ็บปวดในร่างกายและก็ใจรู้ว่ามันเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะร่างกายมันเป็นของธรรมชาติเมื่อต้องมีการเจ็บปวดหิวหิวกระหายแต่เราจะไปแบกมันนี่แนละเราจะไปรับรู้มันแต่มันก็ยากนะแต่ไม่เหลือวิสัยอันนี้ท่านทำมาแล้วท่านจึงมาแนะนาบอกกล่าวให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษา มีประโยชน์อย่างมากในเมื่อเราเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวทนามันกล้านะไม่รู้เราจะออกทางไหนเอากินยากาแล้วทําอะไรก็แล้วาบางทีไม่มีทางมีตรร้องควรคางเสียงสนั่นวันไหวไปหมดเพราะอะไรเพราะมันเหลืออดเหลือทนอันนี้เเวทนามันเกิดมาทางร่างกายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราพิจารณาดูนะว่าเวทนานุ ป, ปั จ, จนาสติปัจชา สติประฐานอกายแก่สภาวะกายมันเกิดเวทนามันเกิดมาจากกายแล้วนะแต่ที่มันใจไปรับรู้ใจไปแบกภาระใจไปให้ความสําคัญไปแบกมันมันก็เลยมาทับถึงใจใจก็เลยทกเวทนามันเกิดมันเกิดร่างกายก็จริงอยู่แต่มันทุกใจฮนะนี่แหละอันนี้ก็ให้พวกเราภาวนานดูแยกแยะดู กายานุปัชนาสติปัฏฐานเวทนานุปัชนาสติปัฏฐาน อ, อจากนั้นกับกายานุปัชนาสติปัฏฐานพิจารณาถึงร่างกายเที่ เ, เปิ่งต้นกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านให้ภาวนาเพราะนั้นพวกเรายึดตัวนี้แหละเ อ, อไม่ต้องคิดไปทางอื่นมันมีกรรมฐานอยู่สี่กายเวทนาจิตธรรม มีอยู่สี่หลักยักให ญ, ให ญ, ใหญ่ถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาจุดทั้งสี่จุดนี้แล้วนะรู้ความหมายจุดนี้แล้วใครจะว่ายังไงเราก็รู้ได้สมองยุกน้อพองน้อเอาอะไรกำหนดกำหนดใส่กายนวากา ย, ยานุ ป, ปัจฉนาจิตปัฏฐานเหมือนกันแล้ว ก, กำหนดกำหนดตัวผู้รู้สัมมาอรหัง เอาอะไรกำหนดสมารา่ังเอาร่างกายกำหนดสมาหังบริกรรมก็เป็นกายานุปัชนาสติปัฏฐานเหมือนกันอ่แล้วก็การภาวนาที่ทำจิตใจให้จิตใจให้สงบดูใจของตนเองอย่างที่เขาเขาภาวนาเขากำหนดกาหนดดูใจของเรานึกคิดเรื่องอะไร เ, เราก็รู้ รูวใจของเรานึกอคิดเรื่องอะไรอันนี้ว่าจิตตานุปัสนาสติปฐานแล้วดูกําหนดตัวสิ่งไหนที่มากระทบใจอันนี้ว่าธรรมานุปัสนาสติปทานถ้าว่าใจของเราขนาดกําหนดลมหาย ใ, ใจเข้าออกยังจูไม่ได้ยังกําหนดยังไม่อยู่ยังไม่รู้ยังจับไม่อยู่นะเราจะไปกําหนดจิตตานุปัจนาก็ดีธรรมานุปันจนาสติปฐานก็ดีเออมันจะไม่ได้นะ ล้มเหลวพูดง่ายๆตอกนั้นก็ับมาพิจารณาถึงเวทนานุปัจนาจติปัฏฐานเนีพอจะรู้ได้เห็นได้ทานเพราะมันปวดมันไม่มีทางออกน่มันปวดอยู่งั้นอันนี้เหละว่าเวทนานุปัจนาจติปัฏฐานาแต่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาท่านมีตรเน้นหนักเรื่องกายานุปัจนาจติปัฏฐานเป็นหลัก เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายพาพิจารณาดู ก, กายพี่กำหนดกำหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบนิ่งแล้ว เ, เป็นพื้นฐานแล้วจึงค่อยนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาแยกแยะดูร่างกายเพราะใจของเราเนี่ยมันหลงหลงร่างกายว่าร่างกายเป็นของเราเพราะเราตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ออกมา เราก็อยู่ในร่างนี้ตลอดมามันจึงยึดถือว่าเป็นของเราไม่ได้คิดว่าเป็นของใครอื่นมันพอยึดมาเป็นของเราเป็นของเราตลอดพอมันร่างกายมันจะแยกมันจะแยกไปไงมันหมดอายุของมันหรือว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมันประสบอุบัติเหตุไยใจของเราก็เป็นทกุกข์แหละไเพราะมันไม่อยากจะแยกไม่อยากจะแยกออกจากจากกายใจไม่อยาก ไม่อยากแยกออกจากกายเพราะมันถือว่าเป็นของเรามันก็เป็นทุกขนะ์นี่แหละพราะพระุทธเจ้าท่านให้มองจุดนี้ว่าให้มองดูนะต้องทําใจไว้นะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยใจของเรากายของเรามันจะต้องแยกกันแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะร่างกายมันหมดอายุแต่พอมันหมดอายุในใจมันไม่หมดอายุนะใจดวงนี้ไม่หมดอายุตายใจใจนี่ตายไม่เป็นรวงตามมหาบัวทำไม ร่างใจร่างกายมันตายเป็นแต่จิตใจมันตายไม่เป็นในเมื่อร่างกายตายแตกสลายเอาพลอยเผาทิ้งแต่ใจออกจากร่างบุญกับบาปเป็นผู้พาไปไงไปเกิดในภพใดภูมิใดอจากนั้นคนนั้นใจของเราก็ไปออกจากร่างไปหาเกิดไงถ้าคนมีบุญก็ไปเกิดในกติที่ สวยงามเหมาะสมไปเลือกเกิดได้เหมือนกับคนมีเงินไปเลือกอซื้อของในห้างสปปรรพสินค้าไปที่ไหนไหนก็ได้เพราะคนมีเงินอพอเมืองผีเนี่ยมันไม่เหมือนเมืองมนุษย์เมืองเ ม, มืองมนุษย์นี่ยังคดยังโกงยังเบียดยังบังกันอยังตลบหลังเอารัดเอาเปรียบกันแต่เมืองผีนี่ตรงยิ่งกว่าตรงอีกถ้าไม่ใช่ของเราเอ า, เอาไม่ได้ขมโมยขอไม่ได้ เบียดบังเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นของใครของเราเนี่แหละอันนี้คือบุญกุศล เ, เมื่อเราสร้างไปแล้วมันเป็นของของเรานะ เ, เราจะกำหนด เ, เราก็ภาวนาเนี่ยให้ดูให้ดูกำหนดลมหายใจเข้าออกนะั่นแหบะบเป็นหลักนะเวลาก้าวเดินภาวนาขาซักขาขวาพดขาซ้ายโถ เวลาเรานั่งกำหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกในเมื่อเรานั่งภาวนาะมันเจ็บปวดเราให้พิจารณาเวทนาทันทไม่ต้องกาหนดลมนะห้ออกจากลมทันทีเลยมันดูรงที่มันเจ็บมันปวดดูเออมันเจ็บปวดเพราะอะไรใจของเราไปให้ความสำคัญใจของเราไปให้ความารับรู้ ร่างกายจงที่มันปวดท้าวาใจของเราดูแล้วมันไม่ใช่ของเราเอาเถอะดูใจของเราไม่ต้องดูตัวที่มันเจ็บมันปวดดูใจอยู่กับใจผู้รู้อยู่กับผู้รู้ตัวนมามธรรมอยู่กับนมามธรรมไม่เข้ามายึดคลองไม่มารับรู้ทางกายเป็นเป็นยังไงนี่แหละเวลาเรานั่งพาวนาจิตเป็นส่วนจิต จิตเข้าสู่ความสงบจิตเป็นหนึ่งนะแล้วถไม่รับรู้ทางกายนะหายหมดเรื่องร่างกายนะไม่เจ็บไม่ปวดไม่โลดจิตนั่งอยู่ในสถานนะอยู่ในสถานที่ใดอีกต่างหากเพราะจิตใจของเราเป็นเป็นเอกเทศไม่เข้ามายึดคลองไม่ไม่มาไม่เห็นความสําคัญเรื่องของกายนี่แหละเมื่อจิตสงบแล้วนะเวทนาความเจ็บปว่วยเจ็บปวดของร่างกายนะหายหมดนะลูกหลานคณะสัตยาดโยมนะ ถ้จิตใจเข้าสู่ความสงบนะ่ะเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆุกท่านนะอให้ดูให้รู้ว่าหลักใหญ่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนทั้งจะสอนมาตฐานที่ใดก็ตามที่สอนกันทุกวันนี้เนะี่ยมีอยู่เน่ยมีอยู่ในสติปฐานสีทั้งนั้นที่หลวงพ่อได้ฟังดูแล้วพอพู้ที่มาหลวงพ่อจะรู้เลยแต่อันนี้ท่านสอนในสอนในเรื่องธรรมารมณ์อารมณ์ที่มากระทบใจ เออท่านสอนไว้ท่านสอนเรื่องจิตจิตตภาวนาจิตตานุปัชนาสติปัฏฐานเนีแล้วก็ยกมือเคลื่อนไว้เออ อ, เ อ, เนนเ อ, อัน น, น, ออ น, อออนี้ท่านสอนเรื่องเวทนานุปัชนาสติปัฏฐานเนีถ้าว่าท่านกําหนดลมหายใจเข้ายุบน้อยพองน้อยเอออันนี้ท่านสอนเรื่องกายานุปัชนาสติปัฏฐาน มันมีอยู่เพียงแค่นี้นะคะ่ะนักศาญาติโยมถ้าเรารู้จักวิธีกรรมวิธีการแล้วจะไม่สับสนในเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หรือจากสํานักไหนถ้าเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาแล้วมันมีอยู่สี่เท่านี้เองหลักใหญ่ๆนะแต่เอาเถอะเราไม่ต้องไปเรียนรู้อย่างอื่นหรอกฟังตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหลวงพ่อเนี่ยให้กําหนดลมหายใจเข้า หายใจออกหายใจเขา้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยนี่แหละให้อยู่กับพุทธโทนี่แหละเป็นหลักจนกว่าจิตใจจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจน่งสงบเป็นหนึ่งจนถึงอัเป็นอัปปนาสมาธิหรือไม่ถึงกัสงบนั่งแต่จิตใจอยู่พอสมควรเราก็นำมาพิจารณาร่างกายของเร า, ร, า, า, เ ร, าร่างกายของเรามีอะไรบ้าง เราจะกำหนดกระดูกเลยก็ได้นะให้กำหนดกระดูกกระโหลกศีรษะดูดูกระโหลกแล้วก็ดูฟันดูหน้าของเราจมูกของเราไม่ให้มีเนื้อมีหนังเลยละ่ะไม่ให้มีอะไรให้เป็นกระดูกเท่านั้นแล้วจากนั้นกด็ดูลงไปเรื่อยๆจนถึงก้านคอจนถึงไหล่จนถึงแขนขวาแขนซ้ายใหยป้ปราลงไปถึงชี้โครง ลงไปจมไปถึงสะโพกลงไปถึงขานะลงไปถึงหัวเขา่าลงไปถึงแข่งจมพิอฝ่าเท้าขวาฝ่าเท้าซ้ายดูให้ละเอียดชา้ๆาๆจะเนั้นกกลับขึ้นมาเองอันนี้แหละคือวิปัสสนานะเริ่มจิตจใจเขาเริ่มเขาสู่วิปัสสนาแล้วนใะนเอาเถ อ, เอะในพรรษานี้เพียงแต่ว่า เราจิตจิตของเราได้รับความสงบได้จับได้รับความจิตใจเน่งสงบได้เป็นหนึ่งได้เพียงครั้งสองสามครั้งก็ถือว่าเราได้กําไรอย่างมากเลยนะคณะจัตถายาธิโยมเราจะได้ริมรถพระพุทธศาสนาริมรถพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว น, นัติสันติป ร, รังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะได้สัมผัสด้วยใจของเราเองนะเนี่ยแหละเอาอย่างนี้ก่อนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาพุโทโธนะตอนนี้ไปนั่งคัดสมาธินจะได้นั่งฟังนะเดี๋ยวให้ครูบาเปิดเอ็มพสามให้ฟังเตรียมเปิดได้นะพวกเรานั่งคัดสมาธิ เมื่อนั่งขัดสมาที่เรียบร้อยแล้วให้ประนมือขึ้นระหว่างอกคือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบพูดแบบอ่อนน้อมพูดแบบช้าช้าอ่อนน้อมจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขวิญญาณใดเขาตามดวงใจใดเขาตาม ดูในโลกจักรวาลขอให้ท่านข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรท่านทุกดวงวิญญาณทุกดวงใจก็จงเป็นสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการปรารถนานทุกดวงใจทุกดวงวิญญาณด้วยเทอินเราแผ่เมตตาให้จิตใจเราอ่อนน้อมเป็นมิตรเป็นสหายกับทุกดวงวิญญาณะจากนั้นก็เอามือลงอแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกราตนีนะ